ั ห, หอยู่สบายหรื อ, อย่างที่นั่นะสบายนะคะได้เจริญเมตตาไว้นะั้นใช่ไหแล้วอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆมีเทคนิคอันหนึ่งนะคือ <_ s> เมื่อมีแต่ผู้หญิงคนนึงไปอยู่เขาค้อทะเลปูอะไรนะฉะนั้นผีมันหลอกด้วยผีมันหลอกเรียกให้หลวงพ่อช่วยเรา ผีบางตัวเนี่ยเราจเจริญเมตตาแนละ้วมันก็โอเคพี่ยอมบางตัวไม่ยอมนะมนตัวเป็นวิฉาพิธีอื่นไว้ดงนั้นเราก็ต้องเป็นแข่นเมตตาให้พวกเทวดาไว้ให้ผีดนะ้วยถ้าให้เทวดาเนี่ยให้เทวดามาเป็นพวกเราไว้พวกผีมันไม่กล้าหนอะ <c oughs> หลายคนนะพอหัดเจริญสติที่คุณสว่างมาเล่ า, าเช่งเหมือน ไม่ชีพรทำเป็นแล้วแหละคิดคิดอยู่ไม่ขาดขาดขาดขา ด, ขา ด, ขา ด, ขาดไปเรื่อยหบายวับวับวับปเป็นธรรมดาเนี่ยหนีไปแล้วเห็นไหมแต่เดิมเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นแเรวก็เลยคิดว่าเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันแท้จริงแล้วความรู้สึกตัวเกิดดับเกิดดับเกิดับตลอดเวลาไม่ชีเราไม่ใจจิตใจของเราเป็นขัน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 พยายามทุกเกจทุกสิ่งทุกอยาก่างก็จะบังคับมันให้ได้ใจของเรานี่แหละฝืนใจรักความไม่รู้เนี่ยทำให้เราไม่ยอมรับใจรักอยากจิตอยากให้จิตดีถ่าบริจิตของเราดีถ่าบริทั้งๆที่จิตมปนของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ความไม่รู้เนี่ยทําให้เราดินน้นรนด่้นรนปรุงแต่การปฏิบัติตั้งมากมาย ด้วจะให้สุขสาวอนดีสาวอนใช่ไหมตอบสนองเนี่ยดิ้นรนทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความเปนทุกข์อยู่ตรงที่รู้จริงแล้วปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางความยึดถือจิตมันไม่ใช่ไปฝึกจิตให้ดีเราจะต้องเฝ้ารู้ไปเห็นจิตนี้แต่ไม่เชื่อเกิดดำไปเปลี่ยนแปลงบัคับไม่ได้เห็นพักสักครู<ส>ฉะนั้นเราต้องตร้างเฝ้าสู่กับ เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้จิตนี้เของไม่เที่ยงนะเป็นุกูมินะไม่ใช่ตัวเร า, เ, ราเห็นความจริงแลจะว่างพอว่างแนละ้วจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขมีความสงบสุขสุวันนี้มันไม่เข้าถึงสันติสุขมันไม่เข้าถึงนิพพานเลยนิพพานคือคำว่าสันตินั่นเองเราเข้าไม่ถึงสันติสุขเพราะว่าเราดิ้นไม่เลิกดิ้นอะไรอ่ะดิ้นอยากให้จิตนี้อยากให้กายเนี้ยมันเที่ยง อยากให้มันเป็นสูงอยากให้มันบังคับได้ตามใจชอบอยากคุมมันให้ได้เราไปดิน้นในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความทุกขเนี่ยนะไม่มีวันสิ้นสุดเลยการเดินทางในสังสารวัตไม่มีวันจบสิ้นเลยทางจบสิ้นมีทางเดียวรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจจะเห็นควาจริงเราบังคับก็ไม่ได้ที่คุณสว่างเห็นนะคุยกับเขาเพียงกับเขามันมันเดือดขึ้นมาให้เห็นตัวหนึ่งเป็นคนดูนะที่นี่ก็อย่างเต้นไป มันทำอะไรไม่ได้แล้วพอเห็นซ้ําๆๆต้องตั้ง ใ, ใจยอมรับความจริงก่อนยอมรับความจริงก่อนว่าจิตเนี่ยเป็นของบระคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรารู้ความจริงอย่างแต่อย่างยึดนะไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างยึดยึดงก์อ ย, งงออยู่รู้ว่าของชาวบ้านเขายืบเขามาใช้แต่ไม่ยอมคืนเจ้าของสภาพจิตพระโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างนั้นจะเห็นแล้จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี่ไม่ใช่เรานี่ของดูง่ายคนนอกศาสนาพุดตัวเห็น การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นยากมีแต่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นได้เทสชาบมีแตในศาสนาของท่านนี้เท่านั้นถึงจะสอนจนเราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราวิธีที่จะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เราตัวของจริงใช่ไหมจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเด right> ี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจเดี๋ยวขาดดับปั๊บลงพวังเดี๋ยวขึ้นมาใหม่เไม่ได้เชิญให้ลงก็ลงเองไม่ได้เชิญให้ขึ้นมาก็ขึ้นมา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 เนี่ยความไม่รู้ของเรายัางอยู่ให้เราเฝ้ารู้เฝ้ารู้ลงไปวันหนึ่งเห็นเลยจิตนี่ไม่ใช่ธรรมชาติอะไรที่เราบางังคับได้สักอย่างเดียวเป็นธรรมชาติที่แปรปรวนตลอดเวลาทําไมต้องเน้นที่จิตเอกจากัไอสัก ย, ยันตินิสัยความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราตัวที่ล้ายากที่สุด น, นั่คือความเห็นว่าจิตเป็นเราพระพุทธเจ้าสอนเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายอุทุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา เราว่าเห็นนะคนนู้นก็ตายคนนี้ก็ตายหน้าเราตอนนี้กับหน้าเราตอนเด็กก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่แทจ้จริงแต่รู้สึกว่าจิตนี่เป็นตัวเราที่แทจ้จริงคิดว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเป็นเราถาวรด้วยจิตของเราตอนนี้กับเราตอนเด็กเนี่นก็คนเดิมไอเราตอนนี้กับตอนในอนาคตก็คนเดิมพอเราตายไปไอจิตดวงเดิมนี่ก็ไปเกิอดอีกเห็นแต่ว่ามันมีตัวถาวร อ, อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีสติ รู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจนะลงปูเทศถึงสอนว่าใครปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจได้ถึงจะเรียกว่าได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติยังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเรียกว่าได้ผิวผิวมันได้เปลือกเปลือกมันสำนวนท่านอาจารย์มหาบัวสำนวน ว, นว่ากิเลสมันหลังไม่ถลอกนะ่ยเข้ารู้ลงมานะรู้ลงมาได้ที่จิตจะรู้เลยถ้าคนไหนรู้จิตยังไม่ได้รู้กายไปก่อนก็รากายเป็นบ้านของจิตเราจะหาเจ้าของบ้าน ยังหาเจ้าของบ้านไม้เจอไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ววันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านแตถ้ารู้กายยังไม่ได้ทําสมาธิทาอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก็ได้นะยุบเนอฟองหนอยกเท้าย่างเท้าพุทโธกําหนดณลมหายใจขยับมือทําจังหวะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกเสมอกันแล้วแต่ว่าอันไหนถูกจะดิบกับใครก็ใช้อันนั้น แต่ว่ารู้แล้วย ก, ยกยกตัวใหญ่เช่เราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปใจเราหนีไปเที่ยวแล้วรู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วพุโทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบในที่สุดเราก็รู้ทันจิตเนี่ยรู้ท้องของยุบคลองไปยุคไปอะไรเดี๋ยวท้องท้องดูอยู่นะจิตยังหนีไปเลยจิตหนีรู้ว่าจิตหนีไปดูเท้องไปเรื่อยจิตไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องในสุดมันก็เสลอไปก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้จิตจะเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้ทันขึ้นมา มือเชย่อกดหรืกรรมฐานอะไรก็ได้นะจะขยับมือถ้าอาจารย์ท่านสองท่านนี้ท่านมาจับสายหลงพ่เจียนให้ขยับนะขยับเลยเถอะขยับเพื่ออะไรหลวงพเตียนบอกขยับธาตุรู้ขยับธาตุรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการในการขยับนี่ก็คือการรู้สึกตัวนั่นเองวิธีที่จะรู้สึกตัวคือแขยับไปใจเราหนีบิดคิดรู้ว่าหนีบิดคิดหลวงพเตียนย้ำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นว่า จิตหนีไปคิดนะเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติพูดเหมือนหลวงปู่ดูลเปี้ยมเลยแต่คนเราจำนวนหลวงพเตียนหลอดถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดอาจารย์ําเขียนให้เรีลักคิดสายหลวงพ่เขียนมันแอบไปคิดเรารู้ทันว่ามันคิดเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันรู้สึกตัวในฉับพลันหลวงปู่ดูลบอกยาทรงจิตออกนอกจิตไปรับคิดได้ก็คือมันออกนอกไปนนงมันลืมตัวเองไปทางเซนก็บอกให้ตื่นทางตาปลาบอกให้ตื่น ตื่นขึ้นมาก็คือไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนั่นเองตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันจิตใจไปหลวงพ่เจียนเนสอนต่อยนะว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รักสั้นที่สุดสอนเหมือนก็หลวงปู่ ด, ดูเลยหลวงปูโโ่เทศก็สอนเหมือนกันถ้าใครปฏิบัติถึงจิตถึงใจหนึ่งจะได้แก่นสัมหลวงปูทาถําตับมืดมัวมีสติรักษาจิตสอนใจเรื่องอย่างเนี้ยสูภาจารย์ที่ท่านเก่ง งั้นเราไปรู้สึกไปพอเรารู้สึกรู้เท่าทันจิตตัวเองเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญาเกิดโอจิตนี้ของไม่เที่ยงจริงจิตนี้เป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวเราจริงๆพอรู้แล้วมันไม่ใช่เรามันทํางานเพรามันได้เองความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็ขาดเนื้อสัตยาทิฏฐิก็ขาดตรงนี้ในเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นก็คล้ายๆ ค, ย ค, ย ค, ยคนงกนะรู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ขอไม่ข อ, อยังหวง ตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่ห ย, ยิบขึ้นมาก็คือจิต น, นั่นแหละใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาเริ่มหยิบแล้วหยิบ ม, มาถือไว้เตรียมไว้ดูละเอาไว้ดูดูทั้งวันวางไม่ได้นะวางไม่ได้วางยากที่สุดนี่เฝ้ารู้เฝ้ า, า, า, ามมดูไปวันหนึ่งเห็นได้สิ่งที่เราดูเนี่ยแบมือแง้มแง้มมาดูเอ้านึกว่าของพิเศษกลายเป็นจิ้งกือเนี่ย <c oughs> จะรีบโยนทิ้งมันโยนเองนะไม่ใช่เราโยน งั้นฝึกนะฝึกรู้ตัวไปรู้จิตรู้ใจไปศัตรูของความรู้สึกตัวมีสองอันใจลอยเหลือไปเหลือไปคิดเหลือไปดูเหลือไปฟังเหลือไปคิดโดยเฉพาะเหลื อ, อ, อคิดเนี่ยเหลืมากที่สุดเหิืมากที่สุดเหลือไปคิดศัตรูหมายเลขสองก็นั่งเพ่งไว้นั่งกําหนดไว้นั่งประคองไว้นั่งควบคุมไว้ไม่ชีดูออกไม่ยาสนับสนุนศัตรูตัวที่สองท่านตัวโ ต, ว ต, วตวเลยกว่าจะข้ามันได้นะ จะไปทำา็ัป็นตัวใหญ่ตึกเหมือนกันนะเป็นชั้่นสว่างรู้สึกคนสว่า ง, างชื่อดีนะชื่อสว่างสงบสะอาดสว่าง <c oughs> น้อยรู้สึกว้าลงไปแล้ว <c oughs> เออพิ่ซุนีเอ้อะไรสามเณรีอก็จะ ม, มาเมื่อไหร่ติดต่อเขาได้หรือเปล่าเมื่อวานมีคนมาบอกว่าที่โคราชเขาไม่ให้พักแล้ว แ ล, แล้วตรงโรงเขาให้ไปอยู่ไหมไพี่อ<ห>าสมมาตาใช่ไหมคุณเล็กหรือเลปล่าหรือใครผู้หญิงหางที่อยู่ยากยากที่สุดเล ย, ยนั่นไม่บวชชีด้วยสิบวชเนนมาจากลังกายิ่งหายากหนักเขาอยิ่เข้าไปวัดไหนเขาพวกกลัวไม่รู้ว่าสำนักอะไร จริ ง, รงๆธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายในเรื่องของโลกใครเราฝึกไปเรื่อยเสมอกันเสมอกันในทางปรมาจนะแต่ต่างกันในทางสมมุตินี้เวลาที่เราจัดการกับโลกอยู่กับโลกก็คล้อยตามสมมุติก็มีผู้หญิงมีผู้ชายแม่ชีอย่างเงภาวนาเก่งเป็นพระริยะอย่างเงก็ยังไหว้พระปุถุชนสมมุติเขาเป็นอย่างนั้น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 จิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ทํางานของมันได้เองเขารู้ลงไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติ น, นอกเหนือไปกว่านี้ก็คือขี่ม้าเรียบค่ายไปเรื่อยๆหรือตีอ้อมๆตีกินตีละเล็กตีละน้อยนะเมกะเลศมันตั้งหลักด้าก็ตีเราหมอกกีน่นึงพอมีแรงขึ้นมาก็ไปขี่ม้าเรียบค่ายต่อไม่กล้าเข้าไปทําลายฐานที่มั่นของมันสักจิตฐานที่มั่นของกิเลสคือจิตเรานี่เอง ในกิเลสเนี่ยครูบาอาจารย์สอนอาจารมหาบัวสอ น, นกิเลสมันกลัวมากเลยกลัวเราจะดูจิตตัวเองมันจะผลิตลูกเล็กลูกน้อยกิเลสเล็กิเลสน้อยมาล่อให้เราเลิกดูจิตตัวเองอย่างพอราคะเกิดเนี่ยแทนที่เราจะรู้ว่าราคะเกิดดูจิตตัวเองเราก็มัวไปดูคนที่เรารักเนี่ยโสดาเกิดแล้วก็มัวไปดูคนที่เราโกรธไปคิดถึงคนที่เราโกรธลืมดูจิตตัวเองว่ากําลังโกรธอยู่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 ก็โอ้นีม่มันอาการหนะักมาข้าใครอยากกลับบ้านก็เชิญกลับได้เลยนะตอนกจ้าหมครึ่งใครจะกลับก็ได้เชิญด้วยว่า ก, กันใครที่ถูกหลอกมาแล้ว ร, รู้ตัวว่าถูกหลอกเนะี่ยเชิญกลับได้เลยไม่ยอมกลับผิดผ่านมากใครรู้ไปนะรู้ไปง่ายนิดเดียวรู้จิตรู้ใจเองไม่ใช่เผลอไปคิดเอาไม่ใช่คิดเรื่องจิต ไม่คิดเรื่องอื่นไม่ใช่เพ่งจิตรู้กับเพ่งไม่เหมืมมมอนกันวันก่อนอาจารย์กำพลแตงกำพลหลน้าทองเอาบุญนุ่มมามาหรือเปล่าเม่อวาเมาาื่อวันศุกร์แตงกำพลแกก็พูดดีนะบอกว่าหลวงก็เทียนบอกให้ให้รู้เรื่องหลังๆก็ชอบไปทําถ้าไปบังคับ บอกเนี่ยตมาไม่เคยสงสัยหลวงพ่อเจียนเลยเคยเข้าไปเจอท่านเข้าไปวัดสนามในได้ยินชื่อเสียงท่านเข้าไปทต่งขยับมือโอ้หลวงพ่อเจียนตื่นจิตตื่นลุกปิดขยับนะมีพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งขยับลมๆแ ล, ล, ล้งๆนะ <c oughs> ไม่เพ่งไม้ก็เปลือไปอีกพวกหนึ่งคิดแต่เรื่องมือท่า น, นี้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาท่านนี้ให้ยแล้ท่านไหนวะอ๋อท่านนี้ คิดเรื่อง ห, หลวงพ่อเทียนขยับหลวก็เทียนตื่นก็วงพ่กเกียนขยับไปอย่างนั้นแหละขยับให้ดูเป็นตัวอย่างหรือครูบาอาจารย์เดินจงกรมให้ดูเป็นตัวอย่างทําไปแล้วจุดสําคัญคือต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ศัตรูของความตื่นเหลือไปกับบังคับไว้เพ่งไว้กําหนดไว้ประคองไว้ ง, ง่ายๆนะจริงๆ ง, ง่ายที่สุดเลยถ้าเมื่อไรเรารู้สึกว่าการปฏิบัติยากเนี่ย ให้รีบสังวอนไวเลยทำผิดแล้วล่ะการปฏิบัติที่แท้จริงง่ายที่สุดเลยเช่นเดินเดินอยู่ไปเหยียบที่หมาเข้าขยะขยงรู้ว่าขยะขยงนี่ปฏิบัติแล้วนะเห็นเลยความขยัะขยงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเราห้ามทกไม่ได้นะใจมันจะขยะขยงง่ายมากเดินเดินไปเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบง่ายมากเลย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 แล้วอะไรยังไม่เห็นอีกเหรอแค่รู้สึกตัวก็เห็นละแต่เราคิดมากไปคิดว่าจะต้องเห็นอะไรลึกลับมากกว่านั้นรู้สึกไหมที่นั่งอยู่ไม่เคยเนี่ยตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันของถูกรู้ดูดูทั้งนั้นเลยคุณคุณชั้นหนีไปคิดอย่างเงี้ยมันไม่รู้หรอกถ้าหนีไปคิดจะทําให้รู้ไม่ได้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ชีก็คิดเอานะแต่ะกูลนี้ชอบคิด คุณยาวนะคุณยาวยิงคิดหนักกว่าเพื่อนเลย<ม>พี่ชายไม่มาพี่พี่ชายที่อยู่เมนสกุลพี่คุณชัดพี่ชายออพี่เชียร์เหรียภรรยามาไงเออมีผู้แทน <c oughs> รู้สึกไปนะนี่สกุล น, นี้เขาดีนะเข้าวัดทั้งสกุลเลยเป็นสกุลสามาทิติลินรู้สึกว่ามีบุญไหมหรือ เวนกรรมมีแต่ลุงป้าหน้าเข้าแต่วัดคุณน้องว่าไงคุณน้องไม่มีอะไรเราเป็นธรรมะนะมีขึ้นมาเพราะเราคิดเอาในโลกนี้สิ่งที่ทำให้คนทะเลาะกันได้นะัมีสองอย่างเท่านั้นคือปัญหากับทิฏฐิพูดสมัยใหม่ก็คือผลประโยชน์กับความคิดเห็น ผลประโยชน์ัดกันก็ต้องทะลาะ ก, กันความคิดเห็นขัดกันก็ฆ่ากันได้แล้วเราไปรู้ใจเราเกิดตัญหาเราไปรู้แต่เราเกิดความคิดความเห็นคุณน้องเจ้าความคิดรู้สึกไหมเรามีความคิดความเห็นมากเลยนี่ควรอย่างนี้อันนี้ไม่ควรนี้คนนี้เขาน่าจะอย่างนี้เราไม่แค่เห็นตัวเองนะเราไปเห็นให้คนอื่นด้วยนี่ตรงเนี้ไปรู้แล้ว เ, เราจะสบายกว่านี้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 สิ่งที่ทำให้โลกนี้วุ่นวายในใจเราวุ่นวายนนี่มีแต่ตันหากระทิกขีดเนี่ตัวร้ายน้องดูไว้เรายึดในความเห็นของเราเราก็ต้องไปปะทะกับความเห็นคนอื่นเราแสวงหาผลประโยชน์นก็ต้องไปขัดประโยช น, น์คนอื่นดูตรงไหนพอเหมควรอย่างการช่วยเหลือคนเป็นกุศลแต่ก็ช่วยผสมพันอย่าทาตัวแบบเกียรตไขนะไม่เอา เค็นไขเผาตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อก่อนที่เหินบางเป้งมีผู้หญิงคนหนึ่งใจบุญมากเลยชื่อแม่บูแม่บู่ใจดีเวลาใคไปห็นบางเป้งเปตกห ล, ลักกรรมลำบากอะไรนะไปบอกแม่บู่แม่บู่ช่วยหมดเลยหารถกลับไม่ได้วิ่งไปหารถให้ไม่มีข้าวกินผัดข้าวให้กินนีอาตมาเลยให้คํำฝันนี่คิดอะไรไม่ออกบอกแม่บูแม่บูอยู่วัดแม่บู่ใจบุญ หลวงปู่เทพก็เรียกมาแม่บูทํากับข้าวแนละ้วตั้งแต่ทีสามทีสองทีสามไม่ทำนะทำไปแล้วก็พรืมเห็นคนมากินกับข้าวกันหมดฟ้าก็ฉันพอฟ้าฉันเสร็จนะได้พักปรเดี๋ยวเดียวซักเสือซักผ้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเริ่มอีกแล้วตอกอต่อกกระเทียมอีกแล้วะทําได้แต่กลางวันเนี้ยทาไปเยนรร็นๆค่ำแล้วมืดทีสามไอ้ลุขึ้นมาทํากับข้าวหลวงปู่เทศก็เรียกมาเตือนนี่เจ้าภาวนาบ้างนะ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 อยู่มาอีกสักพักหนึ่งหลวงปู่เรียกมาอีกอมันสิ้นเปลืองสูงต่อไปนี้ทํำมาล้วอย่างเดียวนี่ตรอมใจมากกว่าเก่านะแต่ก็ยังรับได้ยังได้ทาอยู่นี่ยครูบาอาจารย์นะโอ้ไม่ตาปรานีครูบาอาจารย์อยากให้เลิกทีเลยอยากให้ภาวนานครูบาอาจารย์ก็คิดกับคุณน้องแบบเดียวกันเลยอยากให้ภาวนาของเรานะไปช่วยคนอื่นมันก็ดีเหมือนกันแหละมันดีแค่นี้มันจะไปเกิดนาน บุะมอั้นว่เานไออหนัน่ดีนะอยู่ที่นั่นก็เห็นตั้ัวเยอะเลยหลวงพ่อไปยังกลัวเลยกลัวยุงโอ้ยู่ไม่เคยเจอยู่ที่ไหนเยอะเท่าที่นั่นยุ่ที่นั่นนะไม่ใครมาบอกนะว่าพี่ไบอ่ะบอกว่ามันไม่กลัวตะไครตะเคยเลยไม่กลัวหรอก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 รูล้ลงไปถ้าเรารู้สึกตัวแท้ๆนะใจจะโล่งขึ้นมาเลยสว่างโล่งว่างขึ้นมาไปรู้สึกไปนะที่หลวงพ่อมาตอบตอบตอบอะไรค่ะที่แล้วมันจากไปตอนนี้สุดเลยว่ามันเสร็จมีจิตมีจิตจะไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจอือดีแล้วแล้วนี่อะไเนี่ ย, เ, ย <c oughs> เออเปแล้ว <c oughs> <c oughs> ง่ายที่สุดเพราะจริงๆง่ายนะถ้าเมื่อไหร่หลวงพ่อบอกอะไรถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่ายากแล้วไม่นั้นทำผิดแล้วอันเนี้ยหลวงพ่ อ, อยังเอามาใช้เองว่าปีกลายยังใช้อยู่เลยียภานาไปแล้วรู้สึกสองปี ก, ก่อนรู้สึกมันยากไม่เฉลียวใจน้องภูสิวัตรมันบอกมันง่ายง่ายแท้เนาะ คูบาอาจ า, าย์อื่นๆให้ก็บอก ว, ว่ามันง่าย้ทาไมเรารู้สึกยากแสดงว่าเราต้องทําผิดอะ่ะทําผิดแล้วทําไงดีอะทาผิดแล้วหยุดสิตั้งหลักใหม่ลืมมันไปเลยรู้สึกอย่างใหม่ที่จริงง่ายที่สุดแต่ปายจะ ง, ง่ายเลยลงลุกลุกลาดมันแค่ค่อยๆลดระดับกางานลงแช่แล้วมันจะเป็นเลิกทํางานจริงๆเมื่อรู้ว่านี่ไม่ใช่อะไรของเราหรอก ถ้าอย่างตัวนี้ยังเป็นของเราอยู่เนี่ยมันทํางานไม่เลิกเพียแต่สติปัญญาซักฟอกมันมันก็ทํางานน้อยลงน้อยลงแล้วก็เห็นว่าเออถ้าทํางานน้อยนอย้และไอตัวนี้จะมีความสุขทำไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งไอตัวเนี้ยมันไม่ทํางานอะไรมันเด่นรวงมันสว่างสวายอยู่เนี่ยเรารู้สึกเนี่ยดีแล้วสุดทางแล้วเพรไม่เห็นมันทําอะไรแล้ะตัวนี้ยังไม่สุดหรอกสติปัญญาซักฟอกเข้าไปแนละ้วมันทนสติปัญญาไม่ไหว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 พูดเป็นใจรักอีกคนละเขาพูดเป็นใจรักกันทุกคนเลยนะน้องก็บอกไม่มีอะไรนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ก็ธรรมะเวลาเราดูทำงานมีเรื่องมีเรื่องมีปัญหามีอะไรใจเราก็ไม่ได้แตบความรู้สึกไม่มีอะไรบกันกินให้สบายสบายใจครู้สึกนั่งดูไมะออ ถ้าเมื่อไหรถ้าเมื่อไร่แอบทํางานนะนะมันน่าจะหนักเมื่อไร่ทํางานขึ้นมาก็หนักไปแล้วแล้วคุณหนุ่มเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อบังคับนะจับหลักให้แม่นแล้วก็สบายแล้ะถ้าจับหลักผิดเนี่ยผิดทั้งชาติเลยชาตินายก็ผิดเยอะกว่านี้คือฝึกบังคับไปเรื่อยๆ เหมเราไม่ได้มีอะไรเราไปไปไล า, ายใจเรไม่สบายใจแใจมันลุ่มหลงทุกอย่่แหละดูไปนะดูไปเรื่อยๆเคยมีคนหนึ่งนะใจนี่สว่างไม่เพ่อนไม่ไหวอะไรเลยนะสว่างจ้าอยู่นะมีความสุ่มมากอาิ่มเต็มอิ่มอยู่นะอยู่ๆฉับพลันมันกลายเป็นทุกข์ล้วนๆขึ้นมะาทุกข์แบบไม่รู้จะอะไรเหมือนเลนนะรีบดูใหญ่ดูใหญ่ให้หายดูให่้แก้หนาะทางทําอย่างนั้นทำนี้ทํ า, งงาทไม่ได้เลย นะตอพูดสุดฤทธิ์สุดเดช จ, จนปัญญาเลยเก็นปัญญาก็เออมันพุกแล้วมันจะตายก็ช่างมันนะนิพพานอยู่ปากตายถ้าคุณหลวเห็นทุกก็เห็นูกแหละเห็นแล้มีแต่สุขนะยังหลงอยู่เอารินรู้สึกไว้เมื่อไงจิบนี้ <c oughs> โท้เป็นใจรักอีกคนแม้ชอบอย่างไรสำนวนแบบเนี้ย <c oughs> คนไหนหลงพ่าถามเป็นไงสบายค่ะมีญาติคนหนึ่งนะเจอทีไรถามเป็นไงสบายค่ะสบายสบายเราคุณไม่ออกเลยใจเคลื่อนไปทราบไหมไหนแวบบแวบบไปก็รู้นะของคนที่นั่งตัดกันอย่าบังคับมันปล่อยให้หมดนะยังไม่หมดอย่ า, บ, าบังคับเลิกปฏิบัติได้ไหม เริ่มปฏิบัติหมายถึงลืมไปว่าเราจะปฏิบัติลืมว่าเราเป็นนักปฏิบัติลืมมันไปเลยแต่กายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเรื่อยเรืยลืมคาว่าปฏิบัติซะคาว่าปฏิบัติจะคิดว่าเราต้องทำอะไรไม่ได้ทำอะไรหรอกรู้สึกอับใช่ไหมไม่ชีแม่ชีรู้สึกอะไ ร, รอ่ะตอนเนี้ยรู้สย า, ยางเท้า ไม่ยิ้มไม่รู้สึกว่าอยากถามชิ <ฮะ S 1> ้มขิ้ดูตลอดเลยนอยา้ามตรงนี้ทีุ่้งฟ่องอะไรนะีาเรียบอ๋อเรียบไป เ, เรอ ย, ย, นะยเรียบไปเรื่อยนะงไร่ให้เข้าโจมตีน ะ, ะใจเด็ดๆก็เข้าโจมตีเลยทำยังไงให้โจมตีรู้เข้ามามที่จิตที่ใจของเราเลยรงแต่งอะไรขึ้นมารูกเดียวแต่อย่านั่งเพ่งไม่ต้องนั่งเพ่ง อะไรแตกปลอมขึ้นในจิตก็รู้แตกปลอมขึ้นมาก็รู้ไปคือเรานักปฏิบัติเนี่ยเรามีทิฏฐิเยอะทิฏฐิคือทฤษฎีดดนั่นเองมีความคิดความเห็นเยอะบางคนเห็นว่าต้องทำสมถัญเยอะๆก่อนถึงจะเริ่มภาวนาได้บางคนบอกต้องดูกายก่อนถ้าปล่อยวางกายไปแล้วถึงจะมาดูจิตบางคนบอกว่าถ้าจะดูจิตต้องหาที่ตั้งจิตก่อนแล้วก็ จตดูจิตท่านตั้งไว้แล้วต้องคอยเฝ้าเอาไว้มีเจ้าสำนวนเจ้าความคิดเยอะมากที่เอาความคิดกวามเห็นมาใช้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอะไรอย่างนั้นที่ยุ่งขนาดนั้นนีสมัยพุทธกาลเวลาท่านสอนสอ น, สอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นก็ฟังแค่นี้เขาบรรลุพระโสดาบรรลุฆรหาหันกันะของเราพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวไอ้ความรู้สึกตัวเป็นยังไง ทำยังไงถึงจะเกิดเนี่ยเอาล ะ, ะเริ่มละเริ่มละเริ่มในใี่สายเสียหรือว่ารู้สึกตัวแล้วกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างานั้นที่เวลารู้เนี่ยจะทํายังไงจะตั้งสติไว้ตรงไหนจะรู้ลงไปที่ขาไม่รู้อยู่ที่ท้องหรือรู้อยู่ที่ลมอะไรเงี้ยไม่คิดเกินที่พระพุทธเจ้า บ, บอก น, นั้นเลยขาท่านง่ายๆเลยกายมันเคลื่อนไหวกายมันอยู่ในอิริยาบทอะไรเคลื่อนไหวอะไงก็รู้ว่าวมันไปอย่างนั้นนะ มีหลายคนนะมีคนเมื่อเมื่อสองสามวันนี้ให้พระโกเป็นกลุ่มใหญ่เลยบเป็นกลุ่มพระอริยะดูจิตแล้วบรรลุพระอริยะกันเยอะแยะเลยในทีมจะมาให้ให้ดูให้จะมาจะมาประกาศให้รับรองศาสตรปเกียรให้พระศาสนาในพรรษาเนี่ยจะพากันมาคารวาสนะติดกากาคนกับยีบ่สิบคนโอยบรรลุอะไรกันเยอะแยะ ถามพะที่ท่านเป็นคนติดต่อแลาเขาภาวนากันยังไงบอกเขาดูจิตเอาจิตตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ฟังเออจิตตั้งไว้ที่ฐานลมก็แปลกอยูนะพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยสอนจะมีอย่างนี้เยอะมากเลยเป็เราคิดมากไปของง่ายเลยกลายเป็นยากกีเลนสามตัวที่ทำของง่ายให้ยากเรียกว่าปัปันจะทำตัณหามาะทิฏฐิ คิดตีคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นของง่ายก็เลยยากของง่ายเช่นคนก็ชมเราเราดีใจรู้ว่าดีใจเห็นใจที่มันดีใจไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันทํางานของมันได้เองง่ายง่า ย, ายแค่ น, นี้ยเราก็ทําอะไรจนยุ่งสับสนไปหมดขี่ม้าเรียบค่ายอ้อมอ้อมไปได้นะไม่เข้าตีหรอกขี่ไปจนหมดแรงหมดแรงแล้วก็เลิกเลิกไปพักหนึ่งเดี๋ยวอยากขี่ต่ออีกแล้วก็มาใหม่ ไม่ฉี่เคยเป็นไหมเอาละสุ่มต่อไปนที่จะสุ่มถวายชีวิตจิตใจภาวนาทําไปช่วงหนึ่งหมดแรงว่ะตอนนี้ขอไปเยี่ยมคุณชัดก่อน<ช>อ้างว่าจะไปเยี่ยมคุณชัดะอะไรเนี้ยเขาไปเที่ยวก่น <ะ S 1> อนเดี๋ยวมีแรงแล้วจะมาทําใหม่อของง่ายหรื อ, อยากคิดมากยากนานอยากมากก็ไม่ได้นะอยากก็เรียบเป็นหนึ่งในปะปันจะทำไงอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ พอมีความอยากก็เกิดการดิ้รนทางใจแทนที่จะรู้แล้วก็หมดความดิ้นรนไปเรื่อยกลายเป็นดิ้นรนให้มากขึ้นมากขึ้นมีมีความอยากมีความคิดเห็นต้องทําอย่างนั้นต้องทำนี้คิดแต่จะทําหรือบางคนคิดหลับข้างทําไงจะไม่ทําได้มีนะมีปร ะ, มประกาศเรื่อยๆอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งมาทีกแล้วจะเจอสักหลายผมอยู่กับความว่าอยู่กับมหาสุญญตา เราก็อาการหนะักเทพกุทธเจ้าบอกให้อยู่กับรูปนามกายใจหน่อยอยไปอยู่กับมหาสุญญตาพวกหนึ่งที่ทำให้ช้าคือพวกมานะมากมานะมีสองพวกพวกคูเก่งกับดิฉันโง่พวกครูเก่งเนี่ยส่วน่าผู้ชายนะกากะอะไรรู้หมดแนละ้ว <c oughs> พวกดิชันโง่เนี่ยส่วน่ากผู้หญิงดิฉันทำไม่ได้เราดิฉันไม่มีบุญ ของง่ายนะง่ายเลยกลายเป็นยากยากคุณนุ่มทําอะไรคุณนุมลืมตัวเองไหมของโยมผู้ชายนัย้นดีแล้วนะโยมผู้เท้าไปยรู้ไปเรื่อยใจเราเป็นใจเราคอยรู้ไปเรื่อยนะใช้ได้แนละ้วรู้สึกไหมเวลากิเลสมันเกิดเราเห็นของเราเองโรคปวดหลงอะไรมันโผล่ขึ้นมานะคุณเห็นเองนะ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 โหตอนตื่นี่ยหาสุติยากเลยแต่ว่าถ้าเราฝึกของเราอยู่ในชีวิตข้างนอกอย่างเนี้ยจะจำวันเราฝึกขอเราไปเรื่อยเลยพอก็คือพอเราฝันน่ากลัวพอมันกลัวปั๊บเนี่ยนะมันจะรู้มันจะย้อนมาดูจิตเองไปเห็นเลยรจิตมันกลัวสักตัวดับปั๊บไปอ๋อยังฝึกเบียอยู่นะ เมื่อนียนไม่ไคื่มาสามี่ปอ่ต่อนตืมันน่่ตาแล้วนไบางทีมันไร้เราไม่ตื่นนี่เราันนนอดีดีั้อดีบางทีมันไวกว่านั้นนะเช่นเกิดฝันแล้วในหน้ากลัวปุ๊บมันดูความกลัวเลยฝันก็โมโหทเลาะกับเขาเขาโกรธปุ๊บมันดูความโกรธเลยฝึกไวจนชำนาญอย่างเงี้ยปิดอบายไดชาตินึงชาติเดียวนะ พิชาติหน <laughs> ้าก็ว่ากันไหมเห็นั้างไหมฝันว่าจะเลาะบางคนฝันเลือกว่างหมดเลยแง่หนุ่มคนนี้ล่ะไปฝึกไหมเอ่อฝึกมาแบบไหนมุ่นสี่คืนแรกสี่รีมีเป็นล้านเลยเยอะ ขึ้นทะเบียนเลยบ้างไหมขึ้นทะเบียนสได้เยอะเลยแม่สิรินสานก็ดีนะบอกมีปัสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนยิ่งกําหนดก็ยิ่งรู้ทางจิตจรจะยืนเดินนั่งนอนอะไรสำรวจตนแระปรับสักนิดหนึ่งมีปัสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนเลยนี่ก็ถูกต้องดีแต่เราไม่กําหนดหรอก แต่เราคอยรู้ทางที่จิตจอดถ้าเราคำนดแล้วจิตจะไม่ค่อยจอนมันจะนิ่งๆจนะปรับนิดเดียวลองดูค่อยๆดูไปเป็นไงสองคนเนี้ยลงบ่อยลงบ่อยดีนะฟังแล้วชื่นใจถ้าลงนานไม่ชื่นใจเลยแล้วเวลากีเรนเกิดรู้ทันไหม จงใจดูให้รู้ว่าจงใจดูเพราะขณะนั้นอย่างอยู่ๆเราก็อยากดูว่าจิตเราเป็นไงนะเราจงใจจะดูแลรู้ว่ากําลังจงใจอย่างนี้ได้นะแล้วนี่ไง <c oughs> เออนะฟังไปนะสนๆนะบางคนเอาซีดีไปฟังบางคนมีเทปอยู่ม้วนเดียวฟังอื่นเทปยืดนะเทปยืดซ้ำๆกับสตรีมเกิดอย่างนี้คุ้มนะเสียเทปม้วนเดียว มีอยู่เรื่องเดียวฟังจำไม่ได้แล้วไข่เล่าฟังมีอยู่โน้นเดียวอีกคนหนึ่งมีหนังสืออยู่เล่มเดียวมีวิถีแห่งความรู้แจ้งเล่มที่หนึ่งมีอยู่เล่มเดียวทนะ่านอ่านอ่านอ่านจนทะลุกออกไปเลยไม่ต้องคิดมากนะฮะคิดมากยุ่งแดงรู้สึกแดงถ้าขอบคุณนี่เป็นเยบ้างยังบังคับไหม เราเนิ่งๆไม่เอานะเราน้อมใจให้นิ่งใจเรา่น้อมเข้าไปติดความนิ่งอยู่ข้างใน <Yeah. S 1> ให้เรารู้สึกไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไป้ให้คอยรู้สึกเนี่ยร่างกายเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยเมื่อกี้พยักหน้าอีกแล้วรู้สึกไหมเยเมื่อกี้ยกมือรู้สึกไหมเน <Yeah. S 1> ี่ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาจิตสงตสัยทราบไหม <c oughs> ไม่ทันไม่ทันถูกแล้วต้องสงสัยไปก่อนเรารู้ว่าสงสัยต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธต้องโลภไปก่อนเรารู้ว่าโลภต้องรู้ทีหลังแต่ทีหลังต้องติดติดนะไม่ใช่ทีหลังห่างห่าโกรธเมื่อวานวันนี้รู้ใช้ไม่ได้เป็นไง ส, สุดท้ายเลยอ่ะศกตากับหลวงพ่อแล้วเกรงรู้ไหมเนี่ยใจเราเกรงขึ้นมาดูออกไหมอันนี่ยหัดดูอย่างเียง่ายๆนะ ต่อไปเราจะเห็นอะไรอะไรโผลขึ้นมาไหนเราไปจะเห็นมีพราองหนึ่งท่านมาเล่าให้ฟังอะไรนะ เ, ร เ, เออเลอไม่เอา <ม Smith. S 1> เห็นแล้วจบตรงที่การรู้เลยนะเห็นเลยใจเลย บ, บังคับมันไม่ได้มันจะเกล่งมันก็เปล่งไม่ต้องวิเคราะห์ดูของจริงอนะวิเคราะห์นี่เสียเวลามีพระองคหนึ่งท่านมาเล่าว่าที่ท่านดูจิตได้ครั้งแรกเลยตอนเด็กๆ นั่งไปงานลอยกระทงเพื sheet. ่จุดพลุพลุดังโป้งขึ้นมาใจไหววุ้บขึ้นมาเยเป็นไหมใจเราไหวอันนั้นกิเลสอารมณ์มันรุนแรงมันก็ได้ไหวให้ดูกต่จริงมันไหวทั้งวันอ่ะกระทบอารมณ์เบาๆก็ไหวเบาๆนะที่เราก็คอยรู้ไปมันไหวๆขึ้นมาคอยรู้นะแต่ไม่ใช่นั่งเป้านะไม่ใช่เดินไปจะดูเพื่จุดพลุเราก็เดินเจ้างมาดูที่จะไหวอ่าจุดซิทอะไรเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะอย่างนี้แกล้งทา พ่ปเป็นไงพ่อ<ม>เออใจลอยดีถูกใจแก้วอะ่ะแก้วเป็นไงใจวันนี้กับเมื่อวานต่างกันไหมวันนี้เป็นไงเมื่อวานเป็นไงวันนี้มันซึมใช่ไหมเห็นไหมแก้วก็ถูเป็นนะขยันดูนะแล้วแก้วจะดูเพื่อให้หายสึมหรือเปล่าอแล้วดูเพื่ออะไร<ม>ใช่ดูก็รู้สภาวะนะ<ม>ตอบถูกใจหลวงพ่ออีกคนแล้ว เอาเก้เอาอะก้าเป็นไงวันนี้กับเมื่อวานวันไหนต่างกันยังไงเมื่อวานเป็นไงวันนี้เป็นไงไอออยู่ใกล้กันเลยสิโลกซึมแล้วยี้อย่ายี้เป็นไงลบใหญ่อ๋อสับเสร็จทาไม้กวนแล้วไม่มีอะไรไม่ยึดถืออะไร ไ, ไหนยังมีใครไม่ส่งกันบ้าน อ๋อมีคุณผู้ชายคุณที่หลังผู้หญิงเสือ้อสีชมพูอ่ะก็ไปทำสติเรื่อยๆทำให้ตกยจแล้วพยายามพยายามอยู่นะพยายามอยู่ <c oughs> รู้สึกไหมเราพยายามอยู่ยังยังไม่เลิกพยายามก็รู้ทันนะขอคุณก็ดีแล้วรู้ทันท เมื่อวางของตะวานมามีปัญหานะจะเกี่ยุกขแต่พิจารไปทุกข์สุขก็สุขอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันจะถูกแบบพิจารณาเอเป็นสมถะพอคิดแล้วจิตใจเราก็ปล่อยสบายใจนะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเราก็จะดูเลยเออความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปความสุขเกิดมาแล้วผ่านไปในสุดใจก็ความทุกข์มาใจก็เป็นกลาง ความสุขมาใจก็เป็นกลางอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเอความทุกข์มาเราพิจารณาความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวทุกข์กับสุขก็อันเดียวกันเหมือนกันไม่ควรยึดมั่นอสอนสอนตัวเองไปแล้วสบายใจและสมถะคือเมื่อไรที่เจือด้วยการคิดเนี่ยอย่างมากที่สุดเป็นสมถะคุณนิรันดรเป็นไงนั่งฟังสู้ เดีรู้เรื่องอยังเคยฝึกไหมอยากฝึกหรือเปล่าถูกใครเขหลอกหรือเปล่าบางคนถูกเขหลอกมานะไม่จะพามาเที่ยวเมืองการเสร็จแล้วเด็กอ่ะถูกพ่อแม่หลอกมาพามาเที่ยวเมืองกาั้สามโมงครึ่งมันร้องใกล้จ้าเลยไหนว่าจะพามาเที่ยวถึงตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยใจลอยแล้วใจหนุ่มนี่รู้จักไหมรู้จักใจลอยไหม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 เตรียมฟังต่อแล้วทราบไหมรอฟังนะเข้าไปคิดแล้วรู้สึกไหมแจะเข้าไปดูมันนะให้คอยรู้ทันมันะรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองไม่ใช้รู้อะไรหรอกตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันเนี่ยรู้ทันแล้วเราจะตื่นอย่างนี้รู้สึกไหมใจเราตื่นขึ้มมนมาเหมือนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือภาวะแห่งความตื่นแต่ภาวะแห่งความตื่นนี้นะเกิดขึ้นชั่วขณะนะแล้วเดียวก็ฝันใหม่นะ แต่อตอนนี้หนีไปฝันใหม่แล้วรู้ไหมหนีไปคิดครั้งใหม่แนละ้ว <lob. S 1> เข้าไปดูมันแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะได้เตือนขึ้นมาจริงๆเราง่ายที่สุดอ่ะได้เวลานะสําหรับโยมเชิญกลับบ้านยั <c ười> <c ười> นตอบสนทนาทำกับพระลูกสาวสองคนนี่ขยันนะดีล้ะแต่ไม่ทําเบ <c ười> ื่อๆอย่างก็เห็นนะ วันก่อนมาบอกว่าโอ้บุญนะรอดความบ้ามันได้เกลื่อนไปแล้ว